ยังไม่ยังไม่โตเท่าไหร่นะแล้วก็เอิงจริงๆก็พวกเขาก็ช่วยเหลือตัวเองได้ในอยู่ที่นี่หมดค่ะเขาก็ช่วยเหลือตัวเองได้ดีค่ะอ่อาระบบข้าวไว้ให้อุ่นกินเองได้อะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีเราก็ห่วงห่วงไปเองเพราะว่ามัแบบมันเป็นกระทะไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่มากอะค่ะสั่งเอาไว้แล้วก็